เธออยากกินผสมเมาก็โทษที่ผมเมาได้ย่าทำลายคนเงาเลยทำไมจะเป็นต้องสนเราในโลกที่สีเทาตรงนี้ก็เลิมกันเหมือนเดิมเมาให้สาแก่ใจเธอดีใจทีได้ คนต่างไปใช่ไหมตอนแรกก็บอกเอาแค่วัยไม่รู้ตัวนี้เมาแค่ไหนเมืคิดแต่เรื่องเธอก็เสียงที่าจะกลับไปแก้ไขถาตัวเองที่จริงๆว่าใจมึงแน่ไหมเธอไม่ไหวก็แยกไปไม่ต้องว่าเรื่องของเราเวลาที่เมามาแทรกไว้ยังมีเวลาแค่ใช้ชีวิตทั้งหมดก็แค่นั้น เราไม่อยากกลับไปแก้ไขไม่อยากให้มันเป็นแค่ฝันแคยามีตังให้แม่ฉันไม่คิดว่าจะไม่อยู่ที่จุดจุดนี้เลยด้ยซ้ำนึกถึงตอนไม่มีตังมันยังช่วยยัำและยังคงจำได้ดีว่าใครเคยช่วยฉันและนี้คือความสำเร็จสุดปิเศษของเด็กที่ดื้อรันแค่ระบายก็แค่นั้นแค่เธอและแค่ฉัน ทางร al al oh, oh, oh, oh. ู้ทันลาลาลาลลเราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้กันโอ้ถ้าเธออยากกินบัซโซเมาก็โทษที่ผมเมาโดยยังทำรายคนเงาเลยจะไม่จะเป็นน้องสนเราในโลตัสเท่าพวงนี้ก็ลืมกันเหมือนเดิมเอาไว้สะเก็ใจ ไปใช่ไหมเธอผมมันสัมเมร์เรทเทมเอาเธ อ, อยากกินเทียไหรก็เทเอาดิเอ า, เ, อาเธอก็าัมเร์เรทเทมเมาเห็นธอเทเอาเทเอาเวลาที่มาเราเราจะพูดความจริงหรือไม่บางทีก็ทำให้พูดเกินจริงต้องขอใครได้เกิดว่าพูดเกินไปอีกคนละชอจะ เ, เกิดว่าไม่เกินใจเรื่องราวของเรา ให้มันเป็นเรื่องของคืนนี้ช้ำไปช้ำมาจะเป็นอย่างนั้นนะฉันไม่เอาแล้วแล้วลมอะไรพัดมาให้เรามาเจอกันในคืนนี้คงไม่สำคัญแค่เธอรู้สึกดีในะฉันก็พอใจเฟ่จุดนี้ตั้งคนก็ตัางเก่แบกคโฮมกลับไปใช้ชีวิตของเราที่ซาเซน่าลมยังไม่เธอได่ความยินดี ขอบคุณที่เขามาเลอาพินฟรีลาลาล า, ลาลาลาลาลาลาฉันก็อยากจะเมาทุก กินพอโซ่เมาก็โจ่ที่ผมเมาได้ย่าทำลายคนเงาเลยเธาไมจ่จำเป็นต้องสนเราในโลกที่สีเท่านี้ก็ลืมกันเหมือนเดิมเมาไว้ซะแก่ใจเธอดีใจดีใ้เจอมอบไออุ่นห้เธอแล้วเราแค่ต่างคนต่างไปชิมเธอ